ทีมรถตูกระบี่มาใช่ไหมมีทีมกระบี่มานี่เหรออยู่ไหนอีกมีสองคนยกมือหน่อยมีสามคนออ๋อไม่ชี้เยอะเลยเนาะ <c ười> มีทีมที่ไหนอีก อุบล น, นะในอุบลยกมือนะอุบลบางคนยังคิดเดยอะอยูอย่การปฏิบัติไม่ใช่การนั่งคิดเอาจะเป็นการมาดูว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราจิตใจของเรามันเป็นยังไง ไม่ใช่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเป็นยังไงรู้สึกไปเราคอยรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงวันหนึ่งเราจะเกิดความเข้าใจว่าจริงๆร่างกายจิตใจของเราเป็นยังไงตัวความเข้าใจนะตัวปัญญา พอ เ, เข้าใจแล้วใจมันจะวางเนี่ยปล่อยวางมันยึดถือต่อไปไม่ไหวหรอกเพราะร่างกายจิตใจนี้มันคือตัวทุกข์เนี่ยเราต้องเรียนมาให้เห็นทุกข์นะหลักธรรมที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสีนี่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนรอยเท้าช้าง สัตบกทั้งหลายนยช้างตัวใหญ่ที่สุดเท้าโตที่สุดเท้าของสัตว์อื่นๆเนะี่ยลงไปอยู่ในรอยเท้าช้างได้บอกธรรมะทั้งหมดนะของพระพุทธเจ้านะที่แสดงไวนะ้เนี่ยรวมลงในอริยสัจสี่ตราบใดที่เรายังไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่เรายังไม่พ้นจากทุกข์ ยังวนเวียนอยู่ในกองทุกข์เรื่อยๆไปเวียนว่าตายเกิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้บางคนก็ไม่เชื่อนะว่าตายแล้วเกิดต้องรอไปเกิดแล้วก็ยังนึกไม่ออกอีกว่าก่อนจะเกิดเนี้ยตายมาก่อนน่าสงสารแต่อดีตไม่สำคัญนะสำคัญที่ปัจจุบันธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นความจริงแท้ ตั้งแต่อดีตในปัจจุบันกระทั่งในอนาคตก็ยังเป็นความจริงแท้อยู่อดีตเราพิสูจน์ไม่ได้นะด้วยยนานทศนาของเราเราพิสูจน์ไม่ได้อนาคตเรายังไม่รู้เรามาเท่าที่รู้ได้เรียนรู้ลงในปัจจุบันดูถ้าเราเข้าใจในปัจจุบันแล้วเราก็เข้าใจอดีตเข้าใจอนาคตด้วย กระทั่งชีวิตเราในปัจจุบันนี้นะเามีความเกิดความตายเกิดดับเนี่ยสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาในร่างกายในจิตใจนี้เรามีชีวิตอยู่ทีละขณะจิตเดียวเท่านั้นเองแวบเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ตายไปแล้วกเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างงี้นี้มันเกิดดับต่อเนื่องกันรวดเร็วเราก็เลยรู้สึกว่าร่างกายจิตใจเนี่ย เป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริงถ้ามาเรียนรู้ความจริงในร่างกายเรีนรู้ความจริงในจิตใจให้มากๆมันจะเห็นร่างกายนี้เกิดตายอยู่ตลอดเวลาอี่ยงเราหายใจเข้าไปเอาธาตุเข้าไปธาตุลมหายใจเข้าไปเดี๋ยวๆก็ต้องหายใจออกมาชีวิตของเราเนี่ยสั้นลงทุกๆลมหายใจเข้าออก เราตายอยู่ตลอดเวลาอย่างในร่างกายเนี่ยเซลที่ประกอบกันเป็นร่างกายเราก็เกิดแล้วก็ตายอยู่ตลอดเวลามันหมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเซลที่อายุยืนมากๆหน่อยเซลกระดูกเซลกระดูกของคนเราอยู่ได้ไม่เกินเก้าปีนะมันตายก็มีเซลใหม่ขึ้นมาแทนถ้ายัางเด็กอยู่มันก็ส่วน ที่เกิดใหม่มันก็เยอะหน่อยพออายุมากเข้ามันเกิดไม่ค่อยไหวแล้วมันมีแต่ความเสื่อมเราก็เริ่มเป็นโลกกระดูกพลุนพวกผู้หญิงก็เป็นเยอะหนยกระดูกพลุนมันตายมากกว่าเกิดแล้วนะกระดูกก็บางลงบางลงในร่างกายเราที่แข็งแรงที่สุดนะคือกระดูกนะรู้สึกจะ ก, กระดูกลุกคลางหรืออะไรนะี่แข็ง แต่ก็อยู่ได้ไม่เกินเก้าปีเงันตัวเราในวันนี้นะกับตัวเราเมื่อเก้าปีก่อนเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นอันเดียวกันเลยไม่มีส่วนที่เป็นอันเดียวกันเหลืออยู่เลยแต่ทําไมเรายังรู้สึกว่าเราเป็นคนเก่าอยู่เพราะมันตายแล้วมันเกิดเนี่ยต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเราไม่รู้เราไม่รู้ถึงความเกิดดับในร่างกายนี้ ใจิตใจยิ่งเกิดดับเร็วกว่าร่างกายอีกร่างกายนกะว่าจะตายหมดนะเซลล์ที่มีกว่าจะตายหมดประมาณ9ปีแต่จิตใจนะเร็วกว่านั้นอีกนะจิตใจเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาที่ยิบเลยจิตใจที่มีความสุขอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะจิตใจที่มีความทุกข์อยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตใจที่ดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป จิตใจที่โลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปแต่บางทีมันหายไปแล้วมันเกิดซ้ำอย่างส่วนเราคิดถึงคนคนหนึ่งแล้วเราเกลียดมากความเกลียดเนี่ยเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็ดับเราก็ใส่วามคิดใหม่นะความเกลียวก็เกิดขึ้นมซ้ำขึ้นมาอีกเหมือนอย่างการดูรูปเพื่อเหมือนกันจิตของเราก็เกิดดับอย่างรวดเร็ว เราลองดูรูปนะดูพระพุทธรูปข้างหลังนะสังเกตออกไหมว่าเราเห็นภาพพระพุทธรูปชัดเจนเนี่ยแวบเดียวเองแล้วภาพนั้นก็จะเบลอไปจะไม่ชัดเลือนลางไปเราจะอยากเห็นชัดใหม่เราต้องตั้งใจดูอีกมานาัสิการเข้าไปอีกเนี่ยจิตมันเกิดดับอย่างรวดเร็วนะแค่จิตที่เห็นรูปเนี่ย เกิดแล้วก็แวบเดียวก็ดับไปลนะต้องอาศัยทําไมเรารู้สึกเราเห็นรูปต่อเนื่องได้ไมันอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสัญญาความจํารูปได้อย่างตางเรามองเห็นพระพุทธรูปเนี่ยแล้วเาร็จแล้วจิตเราก็ดับลงไปที่เห็นพระพุทธรูปเนะี่ยแล้วก็เกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาจิตดวงใหม่มันยังมีสัญญาผุดขึ้นมาภาพพระพุทธรูปเก่ายัางอยู่ แล้วก็เราดูซ้าลงไปเราก็เลยรู้สึกเหมือนเราเห็นพระพุทธรูปเนี่ยชัดเจนตลอดเวลาที่จริงเห็นไม่ชัดหรอกเห็นได้แวบเดียวแล้วก็ดับแวบเดียวแล้วก็ดับใส่สัญญามาจำได้หมายรู้ว่าโอ้พระรูปร่างอย่างนี้นั่งอยู่ตรงนี้นีนนกลไกของจิตนะมันเกิดดับอย่างรวดเร็วสัญญามันหลอกเราสัญญาวิปลาสมาหลอกเราว่า ตัวเรามีจริงๆตัวเราเที่ยงจิตใจเราเที่ยงจิตใจเราเป็นสุขบ้างทุกบ้างจิตใจเราคือเป็นตัวเราของเรารู้สึกอย่างนี้พวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมมีเราอยู่คนหนึ่งถ้าวันไหนเป็นพระโสดาบันจะพบว่ามีแต่ขันห้าไม่มีเรามันจะรู้ได้เด็ดขาดลงไปอย่างนั้นได้ใจจะเห็นอย่างนั้นเลยตัวเราไม่มีหรอก นี่เรายังเจริญวิปัสนาไม่มากพอนะสัญญามันก็หลอกเราความจำจาได้จำเรื่องเมื่อวานได้พอมาถึงวันนี้นะคิดถึงเมื่อวานก็คิดว่าเราเป็นคนเดิมสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดผิดก็ทำให้เกิดจิตตะวิปลาสการคิดผิดผิดจิตตะวิปลาดทำให้เกิดทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิดผิด เพราะฉั้นเราจะมีความเห็นผิดที่เราสะสมมานับพบนับชาติไม่ท้วนความเห็นผิดที่ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราแล้วเวลาตายร่างกายตายจิตใจนี้ไม่ตายจิตใจไปเกิดอีกจิตใจตัวเดิมนี่ไปเกิดอีกอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเราคิดว่าถ้าใครคิดว่าตายแล้วสูญเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าตายแล้วเกิดอีกเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ มันไม่ใช่จิตดวงนี้ไปเกิดใหม่จิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วหนจิตที่มองเห็นรูปเกิดแวบเดียวก็ดับจิตที่ได้ยินเสียงเกิดแวบเดียวก็ดับจิตที่ไปรู้กลิ่นรู้รสรู้สมัมผัสทางกายเกิดทีละแวบเท่านั้นเองจิตที่ไปสวย อ, อารมณ์ทางใจ น, น, นี้ยาวนิดนึงนเพราะมันเกิดต่อเนื่องกันเจครั้งต่อกันเจดแวบ ตกันคำว่าเจ็ดแบบว่าน้อยนะหมายถึงไม่มากสาวกไปนับให้ครบเจ็ดนับไม่ได้ไม่ใช่ภูมิที่สาวกจะนับได้ดน พ, พวกเราไม่ต้องตกใจว่าทำไมความรู้สึกตัวที่เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเนี่ยเป็นเจ็ดขณะเราดูไม่ออกแต่เราจะรู้สึกว่ามันยาวอย่างเวลามีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์อะไรนี่มันยาวกว่ามองเห็นรูปใช่ไม ตามองเห็นนะเห็นชัดแว บ, บเดียวแต่ตรงความรู้สึกนะ่ะเรารู้สึกได้นานกว่ากลไกของจิตเป็นอย่างนั้นเองเวลาจิตมันรู้รูปมันได้ยินเสียงมันได้กลิ่นมันได้รสมันรู้สัมผัสทางกายมันก็แว บ, บเดียวเวลามันคิดทางใจก็แว บ, บเดียวนะแล้วก็มันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจที่จิตเราเนี่ยมันมีจิต เป็นตัวรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพอรับรู้อารมณ์แล้วมันส่งสัญญาณมีจิตอีกดวงหนึ่งมาเป็นตัวส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเรานะรูปนะั้นเนี่ที่ปรากฏนะ่ในขณะที่เราเห็นรูปครั้งแรกเรายังไม่รู้ว่ารูปอะไรนะลองลองหลับตาดูหลับตาซะนะหลับตาอย่าดือ้อหลับตาแล้วหันหน้าไปทางทิศใดก็ได้หันไป แล้วลืมตาเราเห็นไหมว่าขณะแรกที่เราเห็นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรมีดีเลย์ไทม์อยู่นิดนึงก่อนที่จะรู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนนในขณะที่ตา ม, มองเห็นเนี่ยสักแต่ว่าเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นอะไรแต่ว่ามันมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจสังเกตดูมันจะมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะแล้วก็มีการแปลความหมาย สัญญาจะแปลว่านี่คือรูปอันนี้ผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่เด็กนี่หมานี่แมวเนี่ยเรเห็นรูปอย่างน้นอย่างนี้ขึ้นมาพอเห็นแล้วเนี่ยใจก็จะมีอีกจิตอีกดวงหนึ่งมาตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีเป็นอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะโทสะมัก็เกิดขึ้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีราคะมคก็เกิดขึ้นถ้าเรามีสติอยู่กุศลก็เกิดขึ้น เนี่ยจิตนเกิดดับอย่างรวดเร็วมากนะแวบแวบแวบเร็วมากนะเราก็ต้องฝึกสติของเราให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้รู้เท่าทันไม่ใช่แกล้งทำจิตให้ช้าลงนะเราแกล้งทำไม่ได้ว่าจิตเป็นอนัตตายือว่าแต่จิตในร่างกายเรายังสั่งไม่ได้อย่างแท้จริงเลยเราสั่งไม่ให้เซลล์ในร่างกายของเราตายเนี่ยสั่งไม่ได้ มันจะเกิดหรือมันจะตายเราสั่งมันไม่ได้เซลล์แต่ละเซลล์นะเพื่อเราไม่ได้สามารถควบคุมมันได้อย่างแท้จริงจิตใจนี้ก็เหมือนกันอย่างเราหลับตาอยูนะ่ะแล้วพอลืมตาขึ้นมานะถ้ามันมีรูปมันมีประสาทตาที่ดีมันมีแสงสว่างที่มากพอนะมันก็เห็นรูปมีความใส่ใจนะมีองค์ประกอบอีกตัวมีความใส่ใจที่จะรู้รูปมันถึงจะเห็น เคยไหมนั่งอยู่แล้วคนเดินผ่านหน้าเราเราไม่เห็นทั้งๆ ท, ที่เดินผ่านหน้าอยู่เนี่ยนะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้ใส่ใจที่จะดูเนื่องาไม่มีมานาสิการรูปก็ไม่ปรากฏงินแค่ตามองเห็นรูปนะยังเกิดจากปัจจัย ต, ยตั้งหลายตัวมีเงื่อนไขตั้งหลายตัวมีองค์ประกอบตั้งเยอะเลยกว่าเราจะมองเห็นรูปได้ช่วงแว บ, บเดียวนั่นแนะนะสิ่งเหล่านี้เป็นความละเอียดนะ แล้วก็จิตเนี่ยทํางานเร็วมากในขณะที่มองเห็นเนี่ยไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ในขณะที่มองเห็นเนี่ ย, นนยจิตเป็นอุเบกขาอย่างเดียวเลยแล้วมันจะส่งสัญญาณมาระหว่างส่งสัญญาณเนี่ยก็ยังไม่มีความสุขความทุกข์นะเป็นอุเบกขาส่วนมันตัดสินแล้วล่ะว่าอารมณ์นี้ถูกใจไม่ถูกใจนะมันถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมานี่กระบวนการทํางานของมันนะทียิบเลย เราจะไปแกล้งปฏิบัติโดยทําให้จิตทํางานช้าๆเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับที่จะทําให้เซลล์ในร่างกายเราไม่ตายอยู่นานๆอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้จิตนั่นก็เกิดดับรวดเร็วจะไปสั่งมันให้มันเกิดดับช้าๆเพื่อเราจะได้ดูสั่งไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะเรียนรู้มันก็คือฝึกสติของเราให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเราเร็วได้แค่ไหนนะเราก็เห็นได้แค่นั้น อย่างเรามีสติพอประมาณนะเราก็เห็นสภาวะที่หยาบนะถ้าเราไม่มีสติเลยนะเราก็เห็นแบบหมาแมวมันเห็นนะนะเห็นแล้วก็อกุศลครอบงำไปเรื่อยๆไม่มีสติปัญญาอะไรขึ้นมานะเป็นมนุษย์ก็ฝึกสติไว้สติเป็นตัวรู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจนี้คอยรู้ไปเรื่อย หัดรู้ไปก่อนทีแรกอ่ะนานๆนนจะมีสติเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งต่อไปพอหัดรู้ไปชำนิชํานานขึ้นสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นสติเองก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะเราสั่งให้เกิดเร็วๆไม่ได้ต้องทําเหตุของสติเหตุของสติคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นจิตจะจําสภาวะได้แม่นก็ต้องเห็นสภาวะบ่อยๆนี่ว่าเห็นเนืองเนือง งนในสติปัฏฐานสี่เนี่ยท่านเดิมบอกว่าให้รู้กายในกายเนืองเนืองรู้เวทนาในเวทนาเนืองเนืองรู้จิตในจิตเนืองเนืองรู้ธรรมในธรรมเนืองนย่อลงมาก็คือรู้กายรู้ใจเนืองเนือง่นเองเอาที่เราถนัดถ้าเราถนัดที่จะรู้สึกกายนะก็รู้สึกกายเนืองเนืงร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัว ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวนะละเอียดเข้าไปอีกล่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกตัวหัดรู้สึกใหม่ๆนานๆจะรู้สึกได้ทีหนึง่งมันจะเผลอยาวนะแต่เราคอยใส่ใจเนี่ย อ, อตอนนี้หายใจออกล้วตอนนี้หายใจเข้าล้วไม่ได้ไปบังคับลมหายใจนะตอนนี้มันหายใจออกก็รู้ตอนนี้มันหายใจเข้าก็รู้ต่อไปจิตมันจําการหายใจออกหายใจเข้าได้มันจําสภาวะที่ลมมันเคลื่อนได้ พอหายใจปุ๊บเดียวนะสติจะกลับมาอย่างเวลาเราฝึกหายใจเนะี่ยเรารูกสึกไปเรื่อ ย, เ ด, ยเดี๋ยวก็เผลอไปนะแล้วก็กลับมารู้การหายใจอีกต่อมาเวลาเราเกิดกิเลสเราลืมเนื้อลืมตัวนะอย่าเราเกิดกิเลสเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาสวยใช่ใจเราเต้นตุ๊บุุ๊นะลมหายใจแรงขึ้นเพราะจิตมันเกิดราคะเวลาจิตมีกิเลสนะ ลมมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนจังหวะของลมนะใครเคยสังเกตเห็นไหมเวลาโกรธจังหวะการหายใจเปลี่ยนไหมเวลามีราคะแรงๆการหายใจเปลี่ยนไหมเนี่ยเปลี่ยนนะเพราะนถ้าเราเคยฝึกหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกเนี่ยพอกิเลสเกิดขึ้นในใจปุ๊บจังหวะการหายใจเปลี่ยนปั๊บเลยมันหายใจแรงขึ้นเร็วขึ้นเตรียมจะต่อสู้แล้ะ จังหวหายใจเปลี่ยนปุ๊บสติจะระลึกได้เองเลยเฮ้ยเมื่อกี้หลงไปแล้วหลงไปแล้วโลบขึ้นมาแล้วโกรธขึ้นมาละหัดรู้สภาวะไปเรื่อยอันนี้หัดจากรูปก็ได้หรือหัดจากนมามธรรมก็ได้เฝ้าสังเกตใจเราขณะนี้เป็นสุขเราคอยรู้มีสติรู้ใจเราขณะนี้เป็นทุกข์เราก็มีสติรู้ใจขณะนี้เฉยเฉยเราก็รู้ หัดรู้ทั้งวันเลยนะสามตัวนี้สุขทุกข์เฉยๆเป็นกลุ่มหนึ่งที่หัดรู้นะหรือถ้าหัดรู้ทางกายก่กายใใหายใจออกกายหายใจเข้านี่ก็กลุ่มหนึ่งรนะ่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่อีกกลุ่มหนึ่งนะดูตรงนี้จิตใจนี่ก็ดูได้นะมันสุขมันทุกข์หรือมันเฉยจิตใจที่สุขไม่เหมือนจิตใจที่ทุกจิตใจที่สุขที่ทุกไม่เหมือนจิตใจที่เฉยเย เราก็จะต่อไปนานๆปัญญาเกิดน้ำจะเห็นว่าจิตสุขก็อย่างหนึง่งจิตทุกข์ก็อย่างหนึง่งจิตเฉยๆก็อย่างหนึง่งจิตทุกชนิดเกิดแล้ดับสุดท้ายปัญญาจะเกิดตรงที่เห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนี่เราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะจิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ต่อมาขาดสตินะเจอสาวงามยกตัวอย่างสาวงามอีกนะเจอสาวงามขึ้นมาจิตชอบขึ้นมาหรือเราเป็นผู้หญิง เจอผู้หญิงสวยกว่าเรานะหมั่นไส้มันสงสัยว่าไปทําสัญยกรรมมาแน่เลยมันถึงสวยขนาดนี้ตัวจริงต้องไม่สวยหรอกสู้เราไม่ได้หรอกเนี่ยจิตเกิดโทสะเกิดอิจฉาเป็นโทสะนะพอจิตเกิดโทสะปุ๊บเนี่ยมันเคยฝึกมาแล้วเนี่ยดูสุขทุกข์เฉยๆแล้วพอโทสะเกิดเนี่ยจิตจะมีความทุกข์เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทันทีเวลาทุกข์ทางใจเกิดเนี่ย จะเกิดร่วมกันโทสะเสมอนะดูไปอย่างเงี้ยเราก็จะสังเกตโอ้โทสะเกิดละความทุกข์เกิดละหัดดูไปถ้าไปปัญญาก็เกิดเห็นบ่อยๆนะเพราะโทสะเกิดได้เองเราไม่ได้เจตนาให้โทสะเกิดแล้วมันเกิดได้เองหรือราคะก็เหมือนกันราคะเราไม่ได้เจตนาให้เกิดมันก็เกิดได้เองมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสั่งไม่ได้นจิตจะมีโทสะก็ห้ามไม่ได้ จิตจะมีราคาก็ห้ามไม่ได้จิตจะเป็นกุศลก็รักษาไม่ได้อย่างอีกมาวัดเนี่ยอยากฟังหลว ง, งพ่อเทศใช่ไหมพอหลวงพ่อเทศนานไปนะชักหิวข้าว<ม>ใจที่เป็นกุศลหายไปละเกิดใจที่เป็นอกุศลแทนเมือ่อไหร่จะเลิกเทศทสักทีจะไปกินข้าวแล้วยิ่งนั่งใกล้อาหารนะมีผัดสะพายุ้อ ตอนที่หลวงพ่อยังไม่พูดเรื่องอาหารใจเราเป็นแบบหนึ่งรู้สึกไหมตอนพูดถึงอาหารเนี่ยยิ่งพวกที่นั่งใกล้ๆเนี่ยใจเริ่มแกว่งไปที่ถาดนะในมุงนี้มีอะไรบ้างนะคงไม่มีเด็กมานอนอยู่สักคนนึ่งแล้นะ <c oughs> <c oughs> นเห็นไหมใจเราวิ่งไปนะหัดสังเกตไปได้ดูสุขทุกข์เฉยๆก็ได้ดูโลบตวจลงก็ได้นะกุศลไม่ต้องไปดูมันหรอกไม่มีให้ดูเท่าไรหร่หรอก นะกิเลสนะมีให้ดูทั้งวันเพงั้นเริ่มต้นท่านจะเริ่มจากกิเลสนะดูก ร, ราภิกสุทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคานะเริ่มจากกิเลสเพราะระหว่างกิเลสกับกุศลของเรานะยอมรับไหมว่ากิเลสเกิดบ่อยๆเกิดเยอะเกิดถีนะ่เกิดคราวหนึ่งนานๆนะซ้ำๆๆไปนานๆ กุศล น, นะเกิดสั้นสั้นนิดเดียวนะแป๊บเดียวเท่านนะั้นเดี๋ยวก็หายไปนะเพราะนพระพุทธเจ้าท่านก็สอนถ้าเราไม่ดูสุขทุกข์เฉยๆนะดูกิเลสก็ได้เรามีกิเลสตัวไหนบ่อยเราเอาตัวนั้นเป็นตัวหลักถ้าคนขี้โมโหนะอย่างหลวงพ่อนะเป็นพวกขี้โมโ ห, โหพวกโทสะจิตเพั้นดูวิธีพูดของหลวงพ่อก็จะรู้นะรวดเร็วรุนแรงไม่มีเนิบๆไม่มีหรอก เจริญพนอย่างเงี้ยคลื่นไส้ตัวเองเลยนะมันดัดจริตนะไม่มีอย่างหลวงพ่อเป็นโทสะจริตเวลาเราหัดดูจิตทีแรกเนะี่ยเราเห็นเลยเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็หงุดหงิดนะเห็นความหงุดหงิดพุ่งอย่างนี้เลยกระเถิบกระเถิบขึ้นมานะกรเดิดขึ้นมาเรนะื่อหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆทีแรกต้องกิเลสแรงๆก่อนต้องโกรธแรงๆถึงจะเห็น นะพอหัดดูไปเรื่อยๆเนี่ยจิตจำหน้าตาของความโกรธดได้แนละ้วพอเริ่มโกรธเล็กๆก็เห็นแล้วนะเริ่มโกรธนิดเดียวก็เห็นแล้วมีวันหนึ่งอยู่ในห้องสบายๆเนี่ยต้องออกจากห้องไปแสงแดดกระทบเปลือกตานะเวลาแดด ถ, ถูกตาเราเราส่วนมากหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะแดดมันส่องใส่ตาแค่แดดกระทบเปลือกตานะแดดก็ไม่แรงนะ เราเห็นในใจหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วคนะวามหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราหัดดูทีแรกเห็นของหยาบหยาบก่อนเห็นกิเลสหยาบต่อไปมันจะเห็นกิเลส ท, ที่ละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเห็นละเอียดยิบเลยแล้ว เ, เห็นแล้วไม่ใช่เพื่อจะเอาไปจะชนะมันนะเห็นเพื่อจะได้เห็นความจริงของมันนะกิเลสเนี่ยไม่เที่ยงเกิดแล้วดับตลอดเวลากิเลสไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เชิญให้เกิดเลย ดันมาเกิดเองเมื่อเกิดแล้วเราจะไล่มันมันก็ไม่ไปนะไม่อยู่ในอำนาจบังคับเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดจิตมีราคาก็ไม่เที่ยงจิตไม่มีราคาก็ไม่เที่ยงะจิตมีโทสะก็ไม่เที่ยงจิตไม่มีโทสะก็ไม่เที่ยงจิตฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงจิตหดถูก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงต้องมีกระทั่งจิตรู้ก็ไม่เที่ยงนะถ้าจิตรู้เที่ยงเราก็เสร็จเลย เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าจิตเที่ยงพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าจิตเที่ยงหลังๆเนี่ยมีคนมาประเทศมาสอนกันเลยจิตเที่ยงนั่นมิจฉาทิฏฐิครูบาอาจารย์รุ่นเก่าบางองค์นะท่านก็สอนชัดๆเนี่ยอย่างหลวงปู่ล่าปู่เจาะก็อท่านบอกเลยว่าถ้าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิ เรียกอะไรสัสตตตถิธิถาวรคงที่ไม่สูญหายเป็นนามะตะงั้นอย่างถ้าเราคิดว่าพอเราตายเนี่ยจิตดวงนี้ออกจากร่างไปเข้าร่างใหม่ของเด็กอันนี้เป็นมิชาธิธินะ่ะอย่าว่าแต่จะข้ามพบข้ามชาติเลยจิตในขณะชาตินี้ยังเกิดดับถี่ยิบเลยนะเราะนั้นจิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้ดับลงไป เกิดจิตดวงใหม่ในภพใหม่ในชีวิตใหม่ขึ้นมาดังนั้นเราก็เริ่มคิดอย่างนี้เอ๊ะมันไม่ใช่เรานี่้ตัวที่จะไปรับเวรรับกรรมหรือรับบุญเวันเราไม่ต้องไปแคร์เลยทําชั่วได้เต็มที่ตามใจชอบเพราะว่าไอ้ตัวที่จะไปรับเวรรับกรรมต่อไปเนะี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราไอ้นี่ก็มีชาติถี่นะเพราะถ้ามีสติมีสมาธิปัญญาจริงๆทําชั่วไม่ได้ทําชั่วได้เพราะกิเลสมันลากไป ที่จริงจิตดวงใหม่นะมันก็เหมือนจิตเหมือนลูกของจิตดวงเก่าเรามีลูกเรารักลูกไหมเวลาลูกเราไม่สบายเราคลุ่ м ใจไหมงั้นจิตดวงใหม่ในชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นมานะมันเป็นทุกข์นะเราทนได้หรือมันยิ่งกว่ลูกอีกจิตดวงใหม่ในพบใหม่เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเรามันยังเป็นตัวเราอยู่ ขนาดอยู่ในโลกนี้เราเห็นว่าลูกไม่ใช่ตัวเรานะแต่ลูกเป็นอะไรเนะี่ยเราเดือดร้อนจิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยมีพ่อแม่ลูกหลานเลนนะสืบกันไปเรื่อยเรื่แต่ว่าการหมายรู้ผิดแล้วหมายรู้ว่าทั้งหมดนี้คือตัวเราที่ยืนยาวนัะนความรู้สึกเวลารับอากุศล น, นะมันก็คือเราทุกนะ เราทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทุกข์เราทุกข์เพราะมันคิดว่ามีเรายังพยายามฝึกนะฝึกไปคอยรู้สภาวะต่างๆเห็นร่างกายหายใจออกแล้วชีวิตนี้ก็ตายไปส่วนหนึ่งหายใจเข้านะหายใจเข้าสักพักหนึ่งการหายใจเข้าก็ตายไป เกิดชีวิตที่หายใจออกแล้วก็เกิดชีวิตที่หายใจเข้าชีวิตในภาพรวมนั้นสั้นลงตลอดเวลาลดลงลดลงตลอดเวลาไม่ใช่ของที่ควรจะประมาทไม่ใช่ของที่ควรจะเพลิดเพลินหลงโลกเรากำลังตายอยู่ตลอดเวลาอายุสั้นลงทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วน่ไม่ควรจะประมาทควรจะมายกระดับใจของเรา ให้มันเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมายิ่งให้เกิดปัญญาได้พ้นทุกข์ได้ดีที่สุดไม่ต้องรอให้แก่แล้วค่อยปฏิบัตินะปฏิบัติตอนนี้เลยแล้วได้ธรรมะเร็วๆเวลาที่เหลืออยู่นะมันจะได้เสพสุขได้เยอะหน่อยอย่างถ้าเราเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานะแล้วยังมีเวลาอีกสามปีอะไรเงี้ยแม้เรามีความสุขเทียบกับคนในโลกนะ ความสุขเทียบกันไม่ติดเลยแต่พระอราหันต์ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะพระอรหันต์รู้สึกว่าขันนี้เป็นทุกข์แต่อันนี้เอาไว้หลอกเด็กว่ารีบๆเป็นพระอราหาันตะ์แล้วมีความสุขเยอะเลยนานถ้ากำลังจะตายแล้วเป็นพระอราหันต์แหมไม่ทันจะได้เ็จสุขเลยตายซะ ก, ก่อนแต่อันนี้หลอกเด็กนะบอก <laughs> พยายามฝึกเขานะ่า เรากำลังตายอยู่ตลอดเวลาจิตใจนี้ก็ตายอยู่ตลอดเวลาเกิดแวบบดับเกิดแวบบดับทุกอย่างเกิดดับตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเคยถามพระสาบกว่าเธอเห็นความตายมาลลกี่ครั้งบางองค์ก็หนึ่งครั้งตอนทำวัดเย็นสวดมดนตะ์เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้คิดถึงมละครั้งบางองค์ก็สองครั้งบงงค์สิบครั้ง พระนันท่านบอกท่านคิดถึงความตายบัรละร้อยครั้งพระพุทธเจ้าบอกว่าประมาท ต, ตัวพระพุทธเจ้าเองนะท่านเห็นความตายทุกขณะจิตตอนหลวงพ่อเป็นเด็กๆหลวงพ่อไม่เชื่อนะถ้าคิดถึงความตายทุกขณะจิตแล้วจะไปทําอะไรได้คิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยเหรอแล้วก็ไม่เชื่อมาภาวนาเข้าเรื่อยๆนะตอนนี้เชื่อนะคือสติปัญญาที่แก่รอบจริงเนะย ความตายมันเกิดอยู่ทุกขณะจิตอยู่แล้วเกิดดับเกิดดับเกิดดับท่านไม่หลงลืมท่านเห็นมันเกิดดับสืบเนื่องกันอยู่ตลอดนับจํานวนไม่ท้วนว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งนะในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่เห็นความตายแต่ละร้อยครั้งนั้นประมาทมากที่จริงเรากําลังตายอยู่ตลอดเวลาตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกวันหนึ่งหายใจเข้าออกกี่ครั้งรู้ไหม อะไรที่เกี่ยวกับตัวเองนะั้นไม่เคยรู้เลยนะแต่ดาราคนไหนมีชูนี่รู้ใครเขาเป็นยังไง ร, รู้หมดเลยตัวเองเท่าไหร่ไม่รู้หรอบางคนไม่รู้กระทั่งว่าตอนกลืนข้าวกลืนน้ำเนี่ยหายใจออกหรือหายใจเข้าใครไม่รู้บ้างยกมือสิสารภาพมาเดี๋ยวไปลองกินดูนะไปลองดูของจริงๆบ้างเนะียเรียนรู้ตัวเองสะบ้างนะ นราจะพบว่าเราตายอยู่ตลอเวลาไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารสาระเลยถ้าเราคิดว่าเรากำลังจะตายเนี่ยเราไม่รู้จะโลบโกรธ ล, ลงอะไรไปนักหนาแล้วใช่ mm hmm. เราไม่ได้ต้องการอะไรในโลกนี้แล้วใจเราก็สบายใจยอมรับความจริงใกล้จะตายแล้วอะไรๆก็ไม่เอาละตรงนี้แหละที่ทาให้คารวาสบางคนนะบนรรลุพลระอรหันต์ตอนที่กำลังจะตาย ใจมันยอมปล่อยแล้วรู้ว่าทุกอย่างจะลยหลุดมือไปแล้วใจมันวางเลยบรรลุพระอรหันต์ตอนที่กำลังจะตายของเราไม่ต้องรอตอนนั้นนะเสี่ยงเกินไปเกิดลงแล้วลกไปในลำบากฮัดตั้งแต่ยังดีๆอย่างนี้อยู่ไปกินข้าวไปกินข้าวก็พิจารณาไปนะร่างกายมีธาตุไหลเข้าร่างกายมีธาตุไหลออกร่างกายไม่ใช่ตัวเรา นี่หมดเลยครับ